วมทุกสับสวนวุ่นวายกันเพราะยังไม่เคารพตัวเองนี่เองวันนี้เมื่อเรามามองถึงเดี๋ยวนี้จิตใจมันเป็นยังไงจิตใจมันอ่อนน้อมท้อมตนดีแล้วหรือยังดูลระไม่ถามใครแต่ถามตัวเองนี่แหละจิตใจเดินเป็นยางนี้แล้วก็เห็นในจิตใจเราคนอื่นจะมองเห็นได้ทำไมนี่การปฏิบัติธรรมมาคือตัวการกระทานั่นเอง เรียาวาพระสูตรพระวิไนพระอภิธรรมคำสอนของ 8, 4, พระพเจ้าแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์เับมีพระสูตรตันตะจิดกสองหมืนหนึ่งพันพระธรรมขันธ์มีพระวิไตันตะจิดกสองหมืนหนึ่งพันพระธรรมขันธ์เป็นสี่มื่นสองพันเานเนี่ยวันนี้นมีพระอภิธรรมจีดกเดียวนี่สี่หมืนสองพันพระธรรมขันธ์รวมเป็นแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์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 คนไม่รู้เท่านั้นเองดังนั้นจึงว่าการพัฒนานั้นต้องลงมือพัฒนาตัวเองออกถ้าจะไปเร่งนักพัฒนาถนนหนทางนั้นความตับสนวุ่นวายความหยดร้อนนั้นจะห ด, ดน้อยลงมาแต่คงจะไม่ได้ถึงร้อยเปอร์เถ้าหากเรามาพัฒนาตัวเองแก้ไขปัญหาตัวเอง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 โยจักคุ ม, มาโมหามาลาปักระโธอันนี้เป็นภาษาบาลีนะคุณแปลว่าท่านพระองค์ใดมีพระปัญญาจาักสุ ข, ขจัดมุนทิมคือโมหะเสียแล้วเละคุณไม่รู้ขจัดโมหะตัางหากนะอันนั้นไม่ใช่จะเป็นขังศักดิ์สิอะไรกันมาพูดนมโมตัตสะให้ฟังนมโมตัตสะอย่างที่เราพูดกันนมโมตัสตะสกระโตแต่เร า, าเขอนกน้อมแด่พระคุย้ถามจะโกรกนั้น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 ตัวเซ็กตัวเองบ้างดังนั้นจว่าผีคือการทําทั่วพูดทั่วคิดทั่วนั่นเองเทวดาคือการทําดีพูดดีคิดดีนั่นเองอันเทวดาอยู่สั้นฟ้าเนะี่ยยังไม่ต้องไปนั้นรกใต้ดินยังไม่ต้องไปเราต้องมองเห็นเดอยวนี้ก่อนพอดีอ๋ยวเราก็โอยใจเป็นผีแล้วมันจะไปนรกแล้วก็หยุดกันที่เล็กที่ไหนน้อยเป็นธรรมดาถึง